หน้าที่ของพวกเราชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายให้กระทานั้นมีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือหนึ่งศึกษาธรรม 2. ปฏิบัติธรรม 3. บรรลุธรรมและ 4. เผยแผ่ธรรม นี่คือหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทรงได้มอบให้กับพวกเราชาวพุทธเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับตัวเราเองและกับผู้อื่นตามลำดับต่อมาการปฏิบัติหน้าที่นี้จะทำให้เราได้รับผลอันประเสรฐ ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้รับกันนั่นก็คือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุถึงพระนิพพานสถานที่ที่ มีแต่ความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการทำหน้าที่ของการเป็นพุทธศาสนิกชนเราจึงควรที่จะน้อมรับมาและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องจนกว่าเราจะบรรลุถึงเป้าหมายของการกระทำหน้าที่เหล่านี้ข้อที่หนึ่งทรงสอนให้ศึกษาธรรมเพราะธรรมนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยรู้กันเราต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้า สงสอนให้เราปฏิบัติอะไรกันปฏิบัติเพื่ออะไรถ้าเราไม่ได้ศึกษาแล้วเราไปปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกผิดบ้างถูกบ้างตามแต่ความรู้สึกนึกคิดของเราเอง ก็จะทำให้ไม่ได้เกิดผลที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับเราต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไรกันเมื่อเราได้ศึกษาแล้วรู้แล้วว่าต้องปฏิบัติอะไรกันเราก็นาเอาไปปฏิบัติขั้นที่สองคือหลังจากที่ได้ศึกษา วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วว่าเป็นอย่างไรขั้นที่สองก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติด้วยความอุตสาหะวิริยะด้วยความกยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนด้วยความต่อเนื่องด้วยความสม่าเสมอ เราก็จะได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติได้บรรลุธรรมผลที่เราได้รับก็คือธรรมธรรมที่จะทําให้จิตใจของเรานั้น <c oughs> ปราศจากความทุกข์ปราศจากการเวียนว่ายตายเกิดทําให้ใจของเรามีแต่ความสุขตลอดเวลา เมื่อเราได้รับผลแล้วเราก็ทำหน้าที่ข้อที่สี่ต่อไปก็คือเผยแผ่ธรรมเอาธรรมที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปถ้าเรายังไม่ได้ศึกษาหรือได้เพียงแต่ศึกษา ยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้บรรลุธรรมแล้วเรานำเอาธรรมที่เราได้ศึกษาไปเผยแผ่สั่งสอนก็ยังจะเป็นธรรมที่ไม่มีประโยชน์เพราะเราเองก็ยังไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมที่เราได้ศึกษาแล้วเราเอาธรรมที่เราไม่ได้รับประโยชน์ไปเผยแผ่ สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นก็จะไม่ได้รับประโยชน์เราต้องรอไว้ก่อนเรื่องการเผยแผ่สั่งสอนธรรมควรจะรอให้เราได้ปฏิบัติรมและได้บรรลุธรรมแล้วเมื่อเราได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมแล้วเราก็จะได้รู้จากวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไร และผลที่จะได้รับนั้นเป็นอย่างไรเวลาที่ผู้ฟังมีความสงสัยก็จะสามารถตอบได้อย่างชัดเจนทำให้ผู้ฟังนั้นหายสงสัยทำให้ผู้ฟังนั้นสามารถปฏิบัติจนได้บรรลุกทำขั้นต่างๆขึ้นมา นี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าเองได้ทรงดำเนินมาในขั้นในเบื้องต้นพระองค์ก็ไปทรงศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆเมื่อได้ทรงศึกษาแล้วก็ได้นำเอาไปปฏิบัติแต่การศึกษาจากครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้านั้นมีขีดจำกัดคือครูบาอาจารย์นั้นมีความรู้ ความสามารถที่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดหลังจากที่ได้ทรงศึกษาและได้ปฏิบัติบรรลุ ถ, ถึงธรรมขั้นที่กูบาอาจารย์ได้สั่งสอนแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดคือขั้นหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรพระองค์ก็เลยต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เอง หาวิธีที่จะทำให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรต่อไปหลังจากที่ได้ศึกษาค้นคว้าและได้ทดลองปฏิบัติผิดบ้างถูกบ้างแล้วในที่สุดพระองค์ก็ทรงได้ค้นพบวิธีที่ปฏิบัติที่ทำให้พระองค์ได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงและถาวร หลังจากที่ได้ทรงบรรลุธรรมได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์จึงค่อยใค่ควรพิจารณาว่าควรที่จะเผยแผ่สั่งสอนธรรมที่พระองค์ได้ทรงบรรลุนี้หรือไม่หลังจากที่ได้พิจารณาแล้วก็เห็นว่าสมควรที่จะแสดงธรรม เผยแพร่ทให้แก่ผู้พองค์ก็ทรงพิจารณาดูว่าบุคคลใดสมควรแก่การแสดงธรรมเผยแพร่ทให้ก่อนเพราะคนที่ฟังธรรมนี้มีความรู้ความสามารถที่ไม่เท่าเทียมกันมีที่มีความรู้มากมีความสามารถมาก และมีที่มีความรู้ความสามารถน้อยลงไปตามลำดับดังนั้นพระองค์จึงทรงเลือกที่จะสั่งสอนผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากก่อนเพราะง่ายต่อการศึกษาและง่ายต่อการปฏิบัติง่ายต่อการบรรลุธรรมนั่นเอง สั่งสอนปั๊บก็บรรุ้ทำได้เลยพระองค์เพื่อการที่พระองค์ทรงพิจารณาอย่างนี้ก็เพราะทรงเล็งถึงประโยชน์ของมวลชนส่วนใหญ่ที่จะได้รับประโยชนจากการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์ถ้าไปสอนคนที่มีความรู้น้อยความสามารถน้อยก็อาจจะ ใช้เวลามากกว่าที่จะบรรลุธรรมได้หรืออาจจะบรรลุได้ไม่มากหรือไม่ได้บ้างสู้สอนคนที่สามารถที่จะนำเอาไปปฏิบัติและบรรลุได้อย่างรวดเร็ว ด, ดีกว่าเพราะว่าจะได้อาศัยคนที่ได้บรรลุธรรมรู้ธรรมนี้แล้วไปเป็นผู้ช่วยเหลือเผอยแผ่สั่งสอน พระธรรมอันเลิศอันประเสริฐนี้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปพระพุทธเจ้าไม่มีความคิดที่จะหวงพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงตัดสรู้เลยมีแต่ความปรารถนาที่จะแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ไม่รู้กันเพื่อให้ผู้ที่ไม่รู้ได้รู้และได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันนี่คือเป้าหมาย ของการเผยแผ่ทำให้แก่สัตว์โลกของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงคิดหาผลประโยชน์จากการเผยแผ่ธรรมนี้แต่อย่างใดคิดแต่ว่าจะเผยแผ่อย่างไรให้ผู้ที่ได้รับนี้ได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้อย่างมากมายวิธีที่ดีที่สุดก็คือ เผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากพอเวลาแสดงธรรมเขาก็บรรลุธรรมได้เลยพอเขาบรรลุแล้วเขาก็จะได้นำเอาธรรมที่เขาได้บรรลุนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อนอีกต่อหนึ่งอีกทอดหนึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว กระจายไปได้อย่างกว้างใหญ่ไพศาลช่วยเหลือสัตว์โลกได้เป็นจำนวนมากมายด้วยการพิจารณาไข้ควรของพระองค์ว่าสมควรที่จะแสดงธรรมให้แก่ใครก่อนไม่ใช่ว่าคนบางคนที่ได้ศึกษาธรรมแล้วยังไม่ได้บรรลุยังไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติ บ, บ้าง แต่ยังไม่ได้บรรลุแต่เกิดความอยากที่จะเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นก็จะสั่งสอนให้กับใครก็ได้ที่ตนเองได้พบปะได้รดู้ได้รู้จักได้พบเห็นโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าความสามารถของเขานั้นเขาสามารถรับไปได้มากน้อยเพียงไรอย่างไร และความรู้ของตนที่เผยแผ่ก็ยังเป็นความรู้ที่ไม่ใช่เป็นความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่แท้จริงนี้ต้องได้รับจากได้รับพิสูจน์จากการที่ได้บรรลุทําแล้วเท่านั้นถึงจะถือว่าความรู้ที่จะเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นเป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ที่จะทำให้ผู้ศึกษาผู้ฟังได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงนี่คือการดำเนินของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นทรงศึกษาเมื่อได้ทรงศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อไปปฏิบัติจนถึงขั้นที่ไม่สามารถจากศึ ก, ศกษาจากผู้อื่นได้แล้วก็ทรงไปศึกษาด้วยพระองค์เอง เพราะไม่มีใครรู้วิธีที่ดับทุกได้อย่างถาวรสมัยนั้นก็มีแต่รู้กรู้วิธีดับทุกในขณะที่ทำใจให้สงบในขณะที่ทำใจให้อยู่ในสมาธิเท่านั้นเวลาใจเข้าไปในสมาธิใจอยู่ในความสงบความทุกข์ต่างๆก็หายไป แต่หายไปชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นพอออกจากสมาธิมาพอมาสัมผัสรับรูบร้กับเรื่องราวต่างๆความทุกข์ต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาใหม่พ mm. ระองค์จึงทรงรู้ว่ายังไม่บรรลุยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงอย่างถาวรอย่างสิ้นเชิงจึงทรงค้นคว้าหาวิธี จะดับความทุกข์หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วว่าจะดับได้อย่างไรบ้างจะทำให้ใจไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้อย่างไรบ้างเช่นไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์กับความตายไม่ทุกข์กับการพลาดพลาดจากกันนี่คือการศึกษาของพระพุทธเจ้า ทรงศึกษาด้วยการพิจารณาค่ายควรค้นคว้าหาเหตุหาผลจนในที่สุดพระองค์ก็ส่งค้นพบต้นเหตุของความทุกข์และวิธีดับต้นเหตุของความทุกข์นี้ให้ดับด้วยอะไรอย่างไรเมื <f ew> ่อพระองค์ได้ทรงค้นพบวิธีดับความทุกข์ แล้วนำเอามาปฏิบัตินำเอามาพิสูจน์ก็สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ได้จนหมดสิน้นโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิอยู่ในสมาธิหรือไม่ได้อยู่ในสมาธิพระทัยของพระองค์ก็ไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปเพราะพระองค์สองค้นพบต้นเหตุของ ความทุกข์ของพระองค์เองนั้นเกิดจากความอยากของพระองค์เองเกิดจากความอยากสามประการคือกามตันหาภาวะตันหาและวิภวตันหาและวิธีที่จะละกามตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหาก็คือจะต้องเห็นความจริงของสิ่งที่พระองค์ทรง มีความอยากได้เช่นรูปเสียงเกล่นรถเรื่องของการไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายของร่างกายเรื่องของการไม่พัดพากจากกันว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีการพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาร่างกายของคนทุกคน เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายไปเป็นธรรมดาที่ทุกข์ก็เพราะว่าไม่มีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันนั่นเองไม่พัดภาคจากกันนั่นเองแต่เมื่อทรงพิจารณาเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการสิ้นสุดลงสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเมื่อทรงเห็นความจริงก็เอาความจริงนี้มาสอนใจทำให้ใจนี้เลิกมีความอยากให้ได้สิ่งนั้นนือได้สิ่งนี้หรือมีความอยากไม่ให้สิ่งนั้นนึกสิ่งนี้จากไปเช่นร่างกายเมื่อทรงได้ละตั้นหาความอยากต่างๆ หมดไปแล้วความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆก็หมดไปนี่คือการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อทรงได้บรรลุธรรมแล้วก็สามารถที่จะนำเอาธรรมที่ได้ทรงบรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปแต่ก่อนจะทรงสั่งสอนก็ทรงแยกแยะบุคคล ดูความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลว่าควรจะไปสั่งสอนผู้ใดก่อนผู้ที่มีความรู้มากมีความสามารถมากมีความฉลาดมากเป็นผู้ที่จะสอนง่ายเหมือนเด็กที่เรียนในโรงเรียนสมัยนี้ในโรงเรียนเขายังมีการคัดแบ่งห้องแบ่งเกรดกันถึงแม้ว่าจะอยู่ชั้นเดียวกันก็ยังมี ทับทับสองทับทับเด็กที่ฉลาดมากก็จะเอาไปรวมกันในห้องที่เด็กฉลาดมากเพราะการสั่งการสอนจะจะได้เข้มข้นมากถ้าเอาเด็กที่ไม่ฉลาดที่ไม่รู้ไม่เก่งไปเรียนก็จะไม่สามารถที่จะเรียนได้ก็เลยต้องคัดเลือกกัน เขาเลือกเอาเด็กเก่งๆไว้ห้องหนึ่งเด็กที่ไม่เก่งไว้อีกห้องหนึ่งเพราะการสั่งการสอนจะได้เป็นไปได้อย่างสะดวกถ้าเอามาปนกันถ้าสอนอย่างเข้มข้นเด็กที่ไม่เก่งก็จะเรียนถ้าสอนอย่างเข้มข้นเด็กที่ไม่เก่งก็จะไม่สามารถที่จะรับได้ถ้าสอนแบบไม่เข้มข้นเด็กที่เก่งก็จะไม่ได้รับประโยชน์ เท่าที่ควรอัในใดการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นหลังจากที่ทรงได้บรรลุธรรมแล้วพระองค์ก็จะทรงวุ่งมั่นไปสู่การสั่งสอนผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากก็คือพวกนักบวชต่างๆนั่นเองนักบวชที่มีศรรมีลมีสมาธิแล้ว เองแต่ยังขาดปัญญาปัญญาที่จะเห็นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและปัญญาที่จะเห็นเหตุของการดับความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรพอพระองค์ได้ทรงแสดงเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและเหตุของการดับความทุกข์นี้เก yeah> ิดจากอะไรก็ได้ทรงแสดงผู้ที่ฟัง ก็สามารถที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติในขณะที่ฟังได้เลยและสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังได้เลยจึงทำให้ปรากฏมีผู้บรรลุธรรมขึ้นมาในขณะที่ฟังธรรมกันเป็นจำนวนมากเพราะผู้ที่ฟังธรรมนั้นเขามีความรู้ความสามารถมากอยู่แล้วเยงแต่เขาขาด ความรู้ที่จะทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นที่ไม่มีใครรู้มาก่อนต้องรอให้ผู้ที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่งค้นพบแล้วนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนต่อก็จะทำให้มีการบรรลุธรรมมีการหลุดพ้นธรรมกันเป็นจานวนมากเลย ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นนักบวชทั้งหลายนั้นจะยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยเพราะความรู้ที่เขาขาดากนันนี้เป็นความรู้ที่เขาจะไม่มีความสามารถที่จะค้นพบได้ด้วยตัวของเขาเองต้องรอคนที่มีความรู้ความฉลาด มากอย่างพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติเท่านั้นถึงจะสามารถรู้ได้สามารถรู้ต้นเหตุของความทุกข์สามารถรู้ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้ว่าเกิดจากอะไรแล้วสามารถรู้ได้ถึงเหตุที่จะทําให้การเวียนว่ายตายเกิดนั้นสิ้นสุดลง เหตุที่จะทําให้ความทุกข์ต่างๆหมดไปจากใจว่าเกิดจากอะไรพอทรงได้คนทรงคนพบแล้วพอนํามามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีศีลแล้วมีสมาธิแล้วพอได้ยินได้ฟังเรื่องของปัญญาเรื่องของเหตุและผลของความทุกข์และของการดับทุกข์ ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วนี่คือความวิเศษของพระพุทธเจ้าต่อสัตว์โลกถ้าปราศจากพระพุทธเจ้าแล้วสัตว์โลกนับจำนวนเป็นเป็นล้านพันล้านหรือหลายล้านนี้จะไม่มีใครที่จะสามารถ หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้นแล้วมาเผยแผ่ทำที่พระองค์ได้ทรงตัดสั้แล้วก็ปรากฏมีผู้บรรลุธรรมหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นจํานวนมากเลย นี่คือความฉลาดของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนไม่ได้ทรงเลือกคนตามฐ า, านะการเงินการทองแต่เลือกคนในฐานะของความรู้ความสามารถที่จะน้อมนำเอาสิ่งที่ทรงสั่งสอนไปปฏิบัติได้หรือไม่ก็จง จึงส่งเลือกพวกที่เป็นนักบวชก่อนทรงแสดงทำให้จนพวกที่เป็นนักบวชต่างๆนี้บรรลุธรรมหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ท่งมอบหมายให้ผู้ที่ได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้สรงช่วยเผยแพ่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งทรง ทรงกล่าวไว้ว่าให้ไปกันคนละทิศคนละทางอย่าไปร่วมกันอย่าไปด้วยกันให้ต่างคนต่างไปไปกระจายความรู้ที่นานๆจะมีผู้ที่ค้นพบอย่างพระพุทธเจ้านี้สักครั้งหนึ่งให้ได้กระจายไปให้กว้างใหญ่ไพศาลให้มีผู้ที่ไม่มีโอกาสจะได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ได้หลุดพ้นกันในระยะแรกๆประมาณเจ็ดเดือนตั้งแต่วันที่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนคือในวันอาสาหาบูชาวันเพนขึ้ น, ว, นวันเพนเดือนแปดจนมาถึงวันเพนเดือนสามเจ็ดเดือนต่อมาก็ปรากฏมีพระอาหารหันตาสาบลก อย่างน้อยก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาจากคนละทิศคนละทางกันมาจากทิศต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันแต่มีความปรารถนาที่อยากจะมาเฝ้ามาแสดงความคารวะมาแสดงความทราบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า ในวันนั้นที่เราเรียกว่าวันมาคา บ, บูชาก็มีพระอาหารหันตสาวกหนึ่งพัสองร้อยห้าสิบรูปโดยประมาณมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปนี้เป็นผู้ที่ได้รับการสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวก และได้ขอให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ให้บวชเข้ามาในบวรของพระพุทธศาสนาให้ได้มาเป็นพระภิกษุของพระพุทธศาสนานี่คือเรื่องการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงบรรลุธรรมแล้วทรงเลือกบุคคลที่ควรที่จะสั่งสอนก่อน บุคคนที่ยังไม่ควรสั่งสอนก็รอเอาไว้ก่อนเอาพวกที่รู้เร็วรู้ง่ายสั่งสอนให้พวกนี้เขาหลุดพ้นก่อนเมื่อพวกนี้หมดแล้วค่อยหาสั่งสอนพวกที่ลองลงมาต่อไปพวกที่ลองลงมาก็คือพวกที่มีศีลแต่ยังไม่มีสมาธิเป็นนักบวชแต่ยังไม่ได้สมาธิ ยังไม่ได้ทำให้จิตรวมเป็นหน <ie good video> ึ่งก็มาสอนให้ฝึกทำสมาธิทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเมื่อรวมแล้วก็ให้อยู่ในความสงบนั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้พอออกจากความสงบมาแล้วก็ให้พิจารณาเหตุที่ทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาและ ให้พิจารณาเหตุที่จะดับความทุกข์พอได้ปฏิบัติตามเขาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมขึ้นมาได้ตามลำดับแต่ก็ต้องใช้เวลาเพราะจะต้องทำจิตรวมให้เป็นสมาธิให้ได้ก่อนแล้วถึงจะสามารถเอาจิตที่มีความสงบมีสมาธินี้มาใช้ในการละต้นเหตุของความทุกข์ ด้วยการใช้ปัญญาที่พระเจ้าได้ส่งสอนให้พิจารณาให้ควยก็คือให้ใช้ายรักให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะว่าไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ให้อยู่กับเราได้ตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไป เวลาเสียไปก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรับอ น, อนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะละตัณหาความอยากต่างๆได้ละกามะตัณหาวะภาวะตัณหาละวิภาวะตัณหาได้แล้วก็สามารถปรรลุธรรมได้ตามที่พระเจ้าได้ทรงบรนลุสาธา ก็ช้าหน่อยช้ากว่าพวกแรกพวกที่มีสมาธิแล้วมีศีลแล้วพอได้ทรงสอนพวกที่มีศีลพวกที่เป็นนักบวชแต่ยังไม่ได้มีสมาธิให้เจริญสมาธิก่อนแล้วก็ให้ไปเจริญปัญญาต่อเมื่อสามารถบรรลุธรรมได้แล้วพวกนี้หมดแล้วก็ทรง ไปสั่งสอนพวกที่ยังไม่มีศีลต่อไปยังไม่มีสมาธิต่อไปก็คือพวกบรรดาฆราวาสผู้ครองเรือนทั้งหลายผู้ที่ยังไม่ได้ออกบวชกันที่ยังไม่มีศีลบริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้เจริญสมาธิกันก็มาสั่งสอน เชื้เชิญให้เขาเห็นความสำคัญของการรักษาศีลเห็นการความสำคัญของการทำบุญทาทานเพื่อที่จะทำให้เขาพร้อมที่จะรักษาศีลต่อไปและสอนให้เห็นโทษของการติดอยู่กับการหาความสุขทางร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าจะต้องพบกับความทุกข์ ยายามที่ร่างกายไม่สามารถที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เพื่อที่จะให้เขาได้คิดออกบวชกันคิดออกจากการเสพกามกันเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติเนคขมะคือการออกจากการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพื่อเข้าสู่การหาความสุขการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางจิตใจต่อไปนี่คือลำดับขั้นตอนของการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าและของครูบ า, า, าอาจารย์พระอนันตสาวกทั้งหลายท่านก็ทํากันแบบนี้กันเช่นหลวงปู่มั่นท่านก็หลังจากที่บรรลุแล้วก็ทรงสั่งสอนพระภิกษุสามเณรเป็นหลัก สว า, าวนคารวะญาติโยมก็สอนไปตามวาละตามโอกาสแต่ส่วนใหญ่นงปุมะ น, นี่จะสั่งสอนให้กับพระภิกษุสามเณรครูบาอาจารย์ต่างๆหลังจากที่ท่านบรรลุท่านก็จะสอนพระภิกษุสามเณรกันเป็นหลักก่อนแล้วก็มาสั่งสอนคารวะญาติโยมตามแต่โอกาสอนนันควรพอผู้ที่จะสามารถบรรลุธรรมได้ ง่ายกว่าและเร็วกว่าก็คือพวกนักบวชทั้งหลายคือพระภิกษุสัมมาเนนนั่นเองส่วนคาราวะญาติโยมนี้ความรู้ความสามารถที่จะบรรลุธรรมนี้มีน้อยกว่าพวกที่เป็นนักบวชเพราะไม่มีเวลาพอหนึ่งเพราะเมื่อเป็นคาราวะผู้คลองเรือนก็จะมีภารกิจต่างๆที่จะต้องทําภารกิจในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ภารกิจในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงทําให้ไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลได้บริสุทธิ์ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องโอกาสที่จะบรรลุธรรมนั้นเป็นไปได้ยากมากสําหรับผู้ครองเรือนี้อย่างมากก็คือสอนให้ไปสวรรค์ก่อนสอนให้รักษาศีล เพื่อไม่ให้ไปเกิดในอบายก่อนรักษาศีลห้าให้ดีอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดโกอย่าดื่มสุราอย่าเมาและอบายามุขต่างๆก็จะปลอดภัยจากการที่จะไปเกิดในอบายให้ทำบุญอย่างสม่าเสมอตามกำลังตามโอกาสมีมากมีน้อยก็ทำไป แล้วก็เวลาตายไปก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆกันถ้าทาบุญมากรักษาศีลได้บริสุทธิ์มากก็ไปสวรรค์ให้สูงขึ้นไปถ้าทาบุญน้อยรักษาศีลได้ไม่บริสุทธิ์มากก็ไปสวรรค์ชั้นที่ต่าลงมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเผยแผรสั่งสอน ทำให้แกพุทธบอยสัจสี่พุทธบอยสัจสี่ 4, มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันไปพู้คารวะผู้คองเรือนก็ทำบุญทาทานรักษาศีลห้าไปผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากก็อาจจะเข้าวัดในวันพระเพื่อมารักษาศีลแปดเพื่อมา ฟังเทศฟังธรรมเพื่อมาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ในการดับความทุกข์ใจถ้าได้ปฏิบัติและได้ผลดีก็จะเกิดศรัทธาอยากที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นตอนต้นก็เริ่มด้วยการมาอยู่วัดมาปฏิบัติที่วัด อาทิตย์ละหนึ่งครั้งในวันพระต่อมาหลังจากที่เห็นประโยชน์ที่ได้รับว่าจิตใจมีความทุกข์น้อยลงจิตใจมีความสุขมากขึ้นก็จะเกิดศรัทธาเกิดฉันทาวิริยะที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นก็จะมาอยู่วัดเพิ่มมากขึ้นจากวันก็อาจจะเป็นสองวันบ้างเป็นสามวันบ้างต่ออาทิตย์ และอาจจะเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าการปฏิบัติมีการคืบหน้ามากขึ้นไปเรื่อยๆก็อาจจะออกบวชต่อไปได้นี่คือขั้นตอนของการศึกษาปฏิบัติของชาวพุทธเราทุกคนก็ต้องเริ่มจากการเป็นฆราวาดศึกษาในระดับของฆราวาดกันก่อน เพราะทุกคนเกิดมาก็ไม่ได้เกิดมาเป็นพระกันเลยเกิดมาก็เป็นคารวะนะของเป็นผู้ของเรือนทั้นต้นกดตึงต้องเข้าวัดเข้าว่าเพื่อฟังเทศฟังธรรมสมัยนี้วัดว่าไม่ต้องเข้าก็ได้เพราะธรรมนี้ไปถึงมือถือเลยไปถึงตัวผู้ที่ต้องการจะศึกษาเลยเช่นขณะนี้ก็มีการถ่ายทอสดสด ให้เข้าสู่มือถือของผู้ที่มีมือถือสามารถฟังเทศฟังธรรมศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยที่ไม่ต้องมาวัดเลยได้ศึกษาได้ทำหน้าที่ข้อที่หนึ่งก็คือศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาแล้วได้รู้แล้วว่าทรงสอนให้กระทำอะไรสิ่งที่ทรงสอนให้กระทาก็คือ ให้มันทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอยาวเงินทองไปใช้ตามความอยากต่างๆเพราะเป็นการไปสร้างความทุกข์ไปสร้างภพสร้างชาติไม่ได้เป็นการดับทุกข์ไม่ได้เป็นการดับภพดับชาติดับชาติทุกครั้งที่เราเอาเงินทองไปซื้อตามความอยากตา่างๆไปใช้ตามความอยากต่างๆ เป็นการสร้างความทุกข์เป็นการสร้างพบสร้างชาติให้เราเอาเงินทองที่จะไปใช้ตามความอยากนี้มาทำบุญทำทานแทนเพื่อที่จะได้ลดความทุกข์ในใจลดพพลดชาติที่จะตามมาให้น้อยลงไปที่เราทำกันนี้เราไม่รู้กันนั่นเอง ว่าเวลาที่เราใช้เงินทองไปทําตามความอยากต่างๆว่าเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขแต่ความหลงความไม่รู้ของเราทําให้เราคิดว่าการได้ใช้เงินตามความอยากของเราแล้วทําให้เรามีความสุขกันแต่มันมีความสุขปลอมหรือมีความสุขที่มีความทุกข์คอยจะตามมาต่อไปเพราะเวลาที่เงินหมด แต่ความอยากที่จะใช้เงินมันไม่หมดยังอยากจะไปทํานู่นทานี่อยู่พอไม่ได้ทําก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราเคยใช้เงินใช้ทองจนติดเป็นนิสัยพอเวลาไม่มีเงินทองจะใช้เราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาและอาจจะทำให้เราต้องไปทำบาปไปทำผิดกฎหมายเพื่อที่จะหาเงินหาทองมาใช้ต่อ น, นี่ก็เป็นความทุกข์อีกแบบไปสร้างอบายขึ้นมาถ้าไปทำบาปไปลักทรัพย์ไปช่อกงไปโกหกหลอกลวงก็จะทำให้ต้องไปใช้กรรมในอบายอีกต่อห น, นึงหลังจากที่ตายไปแล้วการทำบุญทำทานนี้เป็นการดึงใจให้ออกจากการไปอบายกันเป็นการดึงใจให้ออกจากกองทุกข์กันเป็นการดึงใจให้ ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันเงินทองนี้มีไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเช่นซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคเงินทองนี้ใช้แบบนี้ไม่มีโทษแต่ก็ไม่มีประโยชน์กับจิตใจนอกจากเป็นประโยชน์แก่ร่างกายเท่านั้นแต่การเลี้ยงดูร่างกายก็จำเป็น ก็ยังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการม า, าศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรมกันและมาเผยแผ่ธรรมกันการใช้เงินทองถ้าใช้กับการดูแลเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็ถือว่าไม่เสียหายที่หาเงินหาทองนี้ก็เพื่อให้หาหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองนี้ เพื่อร่างกายจะได้แข็งแรงจะได้มีกำลังวังชาที่จะไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมได้ถ้ามีเงินเหลือมากเกินกว่าที่จะใช้ได้ในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็อย่าเอาไปใช้ตามความอยากต่างๆการกระทําตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้มีมากขึ้นไปถ้าอยาเอาเงินไปใช้ก็ให้เอาไปใช้ตัดภพตัดชาต ตัดความทุกข์ด้วยการเอาไปทําบุญทําทานเพราะว่าเวลาที่เราทําบุญ ท, ทาําทานนี้จะทําให้เรามีความสุขใจมีความอิ่มใจเพิ่มขึ้นมีความทุกข์มีความอยากน้อยลงไปทําให้เราอยู่บ้านเฉยๆได้ไม่ต้องออกไปเที่ยวข้างนอกไม่ต้องไปหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ่นกายได้แล้วจะทําให้เรา สามารถที่จะปฏิบัติขั้นต่อไปได้ขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลขั้นแรกก็รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ก่อนผู้ที่ทำบุญทำทานจะมีจิตใจที่มีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นจะไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นจะไม่พูดร้ายจะไม่ทำร้ายต่อทร้ายผู้อื่นก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายได้ พอจะไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ชอบรลักทรัพย์ไม่ชอบประพฤติผิดประเวณีไม่ชอบพูดปดไม่ชอบดื่มสุรายาเมาการรักษาศีลห้าก็จะรักษาได้อย่างง่ายดายแล้วพอรักษาศีลห้าได้ก็จะเห็นคุณค่าของการรักษาศีลห้าว่าทำให้ความทุกข์ความวุ่นวายใจน้อยลงไปความสุขความสงบใจมีเพิ่มมากขึ้นไป ก็เห็นคุณค่าของการรักษาศีลก็เลยเพิ่มจากการรักษาศีลห้าเป็นการรักษาศีลแปต่อไปพอการรักษาศีลแปก็จะทำให้เราไม่ต้องไปทำกิจกรรมที่วุ่นวายต่างๆที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้แก่ใจเวลาที่ไม่ได้ทำเวลาได้ทำก็มีความสุขแต่เวลาไม่ได้ทำก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าไม่ติดไม่ได้ทา เวลาไม่ได้ทำก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนก็เลยมาหัดรักษาสิ้นแปดกันเปลี่ยนสิ้นข้อสารจากกามเมมาเป็นอ布รมจาริยาจากการนุ่มหลับนอนกับผู้ที่เป็นคู่ของก็มาเปลี่ยนมาเป็นไม่หลับนอนกับใครเลยไม่หาความสุขจากการนุ่มหลับนอนกันจะมาหาความสุขจากการเจริญสมาธิทําใจให้สงบ จะหาความสุขจากการฟังเทศฟังธรรมเจริญปัญญาเพื่อละตันหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเอาเวลาที่จะไปใช้กับการหาความสุขทางร่างกายมาใช้กับการหาความสุขทางจิตใจดีกว่ามารักษาศีลมามานั่งสมาธิมาเจริญปัญญา อันนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนไปทําจากน้อยไปหามากเรื่องต้นก็อาจจะทําร้อยละสิบทําบุญร้อยละสิบรักษาศีลร้อยละสิบภาวนาร้อยละสิบไปเพราะมีเวลาไม่มากต่อมาเมื่อทําแล้วเห็นผลดีก็จะเพิ่มเวลาให้กับการทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนาให้มากขึ้น จากร้อยละสิบก็เป็นร้อยละยี่สิบจากร้อยละยี่สิบก็เป็นสามสิบสี่สิบไปเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะยิ่งเพิ่มได้มากเท่าไหร่ความทุกข์ยิ่งน้อยลงไปมากเท่านั้นความสุขก็ย่อมมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นวิธีดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงเป็นวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้อง ที่จะไม่จากเราไปเหมือนกับความสุขที่เราได้จากการทําตามความอยากต่างๆที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปที่ต้องคอยหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆแต่ความสุขที่ได้จากการทําทานรักษาศีลภาวนานี้จะอยู่ติดกับใจไปเรื่อยๆและจะมีมากเพิ่มขึ้นไปตามลําดับของการปฏิบัติ ต่อไปก็จะไม่อยากจะทําอะไรอยากจะทำบุญทาทานอยากจะรักษาศีลอยากจะภาวนาไปพอได้ทำบุญทาทานอย่างเต็มที่ไม่มีเงินทองที่จะต้องทําแล้วก็ไม่ต้องทําทานก็มาทำแต่ศีลกับภาวนารักษาศีลให้บริสุดตลอดเวลารักษาศีลแปดขึ้นไปแล้วก็ภาวนาตลอดวันตลอดคืนยกเว้นเวลาหลับ จเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบให้อยู่ในาอยู่ในสมาธิให้ดา น, นานให้ชานานต่อการเข้าออกของสมาธิอยากจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้เมื่อมีความชนานาญในสมาธิแล้วก็ออกมาจเจริญทางปัญญาต่อไปพิจารณาตายรักให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเพราะไม่ใช่เป็นของเรา เพื่อที่จะได้ไม่หลงไม่ไปคิดอยากจะได้สิ่งต่างๆเพราะการอยากได้สิ่งต่างๆนี้เป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขนั่นเองพอเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะต้องมีการพัดพากจากกันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเวลาพัดพากจากกันความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆก็หายไปหมด สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ทรมานใจถ้าพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าจิตมีสมาธิแล้วถ้ายังไม่มีสมาธิถึงแม้จะเห็นว่าเป็นทุกข์แต่ก็ยังหยุดไม่ได้เพราะกิเลสความอยากยังมีความยังมีกำลังมากกว่ากว่าการที่จะหยุดเพราะยังไม่รู้จัก หยุดมันด้วยสมาธินั่นเองแต่ผู้ที่มีสมาธิแล้วจะรู้จักวิธีหยุดกิเลสได้เวลาปัญญาบอกว่าให้หยุดอย่าไปทําตามความอยากก็จะหยุดได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิจิตจะไม่มีกําลังหยุดทําตามคําสั่งของปัญญาได้ปัญญาบอกว่าเป็นทุกข์อย่าไปทําก็ยังฝืนไปทําอยู่นีเพราะกําลังที่จะหยุด ความอยากมันไม่มีหรือมีน้อยกว่าสู้ความอยากไม่ได้ยิงจําเป็นต้องมีสมาธิให้มากๆาที่สามารถหยุดความอยากได้ทุกเวลานาทีที่ต้องการนี่คือเป็นการปฏิบัติของชาวพุทธเราตอนต้นก็ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อรู้แล้วว่าทรงสอนให้กระทำอะไร ก็นำเอาไปปฏิบัติสอนให้ทําบุญทาทานสอนให้รักษาศีลสอนให้ภาวนาตอนต้นก็ทําที่ทาจากน้อยไปหามากหรือจะทํามากได้เลยก็ทําเลยบางคนอาจจะมีกําลังมากมีความสามารถมากพอรู้ว่าทําอะไรแล้วเป็นประโยชน์กับจิตใจของตนก็อาจจะทําแบบเต็มร้อยเลยก็ได้บางคนพอได้ศึกษาได้ฟังทำแล้ว ก็อยากจะออกบวชเลยก็มีออกบวชกันปฏิบัติทำอย่างเต็มร้อยเลยทานกัสรละกันอย่างเต็มร้อยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็ยกให้คนอื่นไปหมดไปตัวปเปล่าๆการมาบวชในพระพุทธศาสนานี้ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรไม่ต้องมีอะไรติดตัวมาขอให้มาด้วยใจที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้น ก็จะได้บวช <c oughs> ได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุธรรมต่อไปหลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้วก็จะได้ทำประโยชน์ให้แก่โลกอีกต่อห น, นึ่งทำแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำที่เราได้รับประโยชน์ก็ได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของพาอาระหลันตรสาวกเมื่อเราได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วเราก็ ทำหน้าที่ต่อแทนพระพุทธเจ้าแทนพระอรหันตสาวกผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราก็มีหน้าที่อยที่เราต้องเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปพระพุทธศาสนาของพวกเราจึงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่ายังมีบุคคลที่ยังทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชอนอยู่นั่นเองก็เกิด มีการศึกษาพระธรรมคำสอนมีการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนมีการบรรลุ ธ, ธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วก็มีการเผยแผ่สั่งสอนธรรมที่ได้บรรลุที่ได้ปฏิบัติแล้วนี้ให้แก่ผู้อื่นต่อไป <c oughs> นี่คือประโยชน์ที่พระพุทธศาสนาจะได้จะมอบให้กับผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อและนำน้อมนำเอา คาสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นก็จะได้รับประโยชน์ตนก่อนเมื่อได้รับประโยชน์ตนอย่างเต็มเต็มที่แล้วก็นำไปเผยแผ่สั่งสอนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นต่อไปอย่างที่ในพระโอวาทในปัจฉิมโอวาทที่ได้ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปทรงตัดไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีการเจริญก็มีการดับไปเป็นธรรมดาลงยังประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดไม่ประมาทก็คืออย่าผัดวันประกันพรุ่งให้เราคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าความตายนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ใครจะอยู่ใครจะตายกันเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ แั้นอย่าไปคิดว่าตอนนี้เราอายุน้อยเราจะอยู่ได้อีกนานไว้วันหลังก็ยิ่มาปฏิบัติกันตอนนี้ขอหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไปก่อนก็อาจจะไม่ได้กลับมาเพราะเมื่อไปไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วมันก็จะติดเหมือนคนติดยาเสพติดเวลาจะมาออกมาทีไรก็จะอ้างว่ายังไม่ถึงเวลายังมีเวลาอีกเยอะ พอที่จะจะออกมาได้ก็ตอนที่ร่างกายไม่สามารถที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ตอนที่หมอบอกว่าเป็นมะเร็งแล้วจะตายแล้วพอตอนนั้นจะมาปฏิบัติก็ไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงไม่มีกาลังที่จะปฏิบัติที่จะศึกษาได้อย่างอย่างเต็มที่ย่งพระเจ้าถึงบอกว่าอย่าประมาทให้รีบทำกิจที่พึงจะกระทาเสียตั้งแต่บัดนี้ ให้ทำหน้าที่ของชาวพุทธเสียตั้งแต่วันนี้ไปอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้จะมีหรือไม่มีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้ให้คิดอย่างนี้เราจะได้มาทำหน้าที่ที่สำคัญที่จะนำประโยชน์ที่สูงสุดให้กับเราและให้กับผู้อื่นต่อไปก็คือการมาศึกษาทมแล้วก็นำไปปฏิบัติรมเพื่อให้ได้บรรลุธรรม เมื่อได้บรรลุธรรมแล้วก็เสร็จภารกิจหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดส่วนการเผยแผ่ธรรมจะเผยแผ่ก็ได้ไม่เผยแผ่ก็ได้ไม่มีใครบังคับอยู่ที่อัธยาศัยอยู่ที่ความรู้ความสามารถของแต่ละท่านบางท่านไม่ถนัดในการเผยแผ่ธรรมท่านก็ไม่ได้เผยแผ่บางท่านที่ท่านถนัดท่านก็เผยแผ่อันนี้ไม่เป็น ไม่มีปัญหาจะเผยแผ่หรือไม่เผยแผ่แต่ที่สาคัญที่เป็นปัญหาก็คือการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองอันนี้สาคัญต้องทำให้ได้เพราะถ้าไม่ทำก็ยังจะติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งเมื่อไหร่ อั้งนี้เป็นครั้งที่อาจจะเป็นในระยะเวลาอันยาวนานที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นถ้าไม่ฉวยโอกาสอันนี้แล้วรอกลับมาเกิดคราวหน้าก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งถ้าไม่ได้พบก็อย่าไปหวังว่าจะมีการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอย่างที่เราได้พบกันในปัจจุบันนี้แล้วถ้าเมื่อได้พบแล้วก็ยังตั้งอยู่ในความประมาทยังผัดวันประกันพรุยังไม่ยอมศึกษายังไม่ยอมปฏิบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นถือว่าเป็นกรรมไปกัแล้วกันเป็นเรื่องของกรรมของสัตว์ที่ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นพวกเราชาวพุทธที่ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันในวันนี้ก็ถือว่าพวกเรานี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทถ้าเราตั้งอยู่ในความประมาทเราก็คงจะไปตามสถานท่องเที่ยวต่างๆกันแล้วในขณะนี้แต่เนื่องจากเราเห็นว่าสังขารของพวกเรานี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะดับไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ดังนั้นขณะที่ยังไม่ดับรีบเอามาศึกษามาปฏิบัต มาบรรลุธรรมกันดีกว่าถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วการบรรลุธรรมก็จะตามมาอย่างอย่างแน่นอนจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ความขยันอยู่ที่ความสามารถของผู้ปฏิบัติของผู้ที่ศึกษาจะ ต, ต้องบรรลุได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการทำหน้าที่ของพุทธศาส น, านิกชนคือหนึ่งศึกษาธรรมสองปฏิบัติธรรม 3. บรรลุธรรมสี่เผยแผ่ธรรมให้ท่านได้นำเอาไปพินิตพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและกับผู้อื่นที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 อาวโสยะทาสภิตโยวิวาชนตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภาวะตะวันตารายุสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทานสิริตสะนิจังวุธาปจายโนยะตาโรธรรมวาทานเตอายุวนโนสุขัง ล, ลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านที่อยากจะถามปัญหาขอเชิญขึ้นมาถามที่ศาลานี้ได้โดยผ่านทางไมโครโฟนเพื่อที่จะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบอย่างชัดเจนแล้วก็ หลังจากเลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตหยุดยุติการถามตอบปัญหาถ้าใครอยากจะถามก็ถามในช่วงนี้ได้เชิญค่ะเออจะสอบถามเรื่องการปฏิบัติอะคะ่ะคือพอเรานั่งไปจนถึงอตอนที่จิตรวมใช่ไหมคะแล้วก็ เ, เห็นตมลมหายใจอะคะ่ะแต่ว่า กายหรือว่าสิ่งรอบข้างเนี่ยก็จะไม่มีแล้วแต่ทีนี้<ม>พอพอพอเราอยู่ที่สติกับลมหายใจอยู่อน่เงี้ยค่ะก็จะเกิดความกังวลขึ้นมาอีกนิดนึงว่าเรากลัวจะเจอนิมิตเราก็เลยกลับเข้ามาสู่ process เดิมดก็คือมาพิจารณาที่ลมหายใจทีนี้กายหรือว่าสิ่งรอบข้างมันก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาอีกนิดนึง่งแล้วมันก็จะอยู่แค่นี้ค่ะ คือมันก็จะไปต่อไม่ได้เพราะว่าเราเราไปโหลกลัวว่าจะเห็นนิมิตค่ะทีนี้เลยไม่มั่นใจว่าถ้าเราปฏิบัติจนถึงจุดเนี้ยเราควรจะต้องทอํายังไงต่อไปอะค่ะถ้ายัางดูลมได้ก็ดูลมต่อไปถ้ายัางเห็นลมอยู่ก็ใช้ลมเป็นที่เกาะยึดเหนี่ยวจิตใจไปถ้าใจมีอะไรยึดเหนี่ยวก็จะไม่มีนิมิตอะไรปรากฏขึ้นมาถ้ามีก็ไม่ต้องไปตามรู้ไม่ต้องไปสนใจ ให้อยู่กับลมไปหรือถ้าไม่มีลมเหลือแต่ความว่างก็ให้อยู่กับความว่างไปให้สักแต่ว่ารู้ไปเวลาเกิดความคิดปรุงแต่งก็หยุดมันเวลาเกิดอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาถ้าหยุดได้ก็หยุดถ้าหยุดไม่ได้ก็อย่าไปสนใจปล่อยให้มันเกิดไปเดี๋ยวมันก็ไปเองให้เราสักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันให้รู้ไปได้นาน แต่ความจริงถ้าจิตมันสงบมันว่างแล้วมันจะไม่มีอะไรให้รู้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องนิมิตอะไรต่างๆนิมิตนี้มักจะปรากฏตอนที่เราไม่มีสติเพลสติมันถึงจะโผล่ขึ้นมาถ้าเรามีสติอย่างต่อเ น, นื่องมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้จะไม่มีอันนมิตอะไรปรากฏขึ้นมาแ ส, แสดงว่าที่เราคิดว่าเราไปต่อไม่ได้เนื่องจากว่า ตอนนั้นสติไปยึดกับความกลัวขึ้นมาที่ชั่วแวบหนึ่งใช่ไหมคะใช่ยังคิดปรุงแต่งอยู่ความกลัวนี่ก็เป็นความคิดปรุงแต่งอย่าไปให้คิดให้รู้เฉยๆถ้ายังเห็นลมดูลมอยู่ก็ดูลมไปถ้ามีความคิดก็ยหยุดห ย, ยุดคิดหยุดความคิดนั้นค่ะกลับมาสกกาขอบคุณค่ะคาถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถาม ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมแบบปฏิบัติด้วยตนเองที่นี่เป็นครั้งแรกกราบขอบคุณพระอาจารย์ที่ช่วยอบรมสั่งสอนโดยเบ้เบื่อหน่ายตลอดมาค่ะวันนี้เนื่องจากเป็นมือใหม่จึงกราบขอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการถือศีลแปข้อที่หนึ่งการห้ามนอนบนฟูกหนานุ่มไม่ทราบว่าได้กำหนดความหนานุ่มไว้อย่างไรบ้างคะเช่นหนากี่นิ้ว ตอนนี้ในห้องปฏ really ิบัติหนา 2- สถึงสนิ้วค่ะและจําเป็นต้องวางบนพื้นเท่าน uh ั้นหรือไม่คะตอนนี้ในห้องวางไว้บนเตียงไม้ค่ะก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะพิจารณาเอาความเข้มข้นหรือความไม่เข้มข้นถ้าอยากให้มันข้นก็ไม่ต้องมีฟูกเลยใช้ผ้าปูพื้นผูบนพื้นหรือผูบนเตียงไม้ก็ได้ถ้าสงสัยว่า มีพวกนะ้าหนึ่งนิ้วแล้วมันยังสบายอยู่ก็อย่าไปใช้มันบางคนเขาอาจจะมีความจำเป็นที่อาจจะต้องมีอะไรป้องกันความเย็นให้มากระทบกับร่างกายเช่นนอนบนพื้นนี่พื้นมันเย็นแล้วมันก็อาจจะทำให้ร่างกายนี้ไม่สบายได้เป็นไข้ได้ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะต้องมีอะไรปู อาจจะเป็นผนะ้าหนาๆหรืออะไรกันไม่ให้มีความร้อนเข้ามาและความเย็นมากระทบกับร่างกายแต่การปูสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปูเพื่อให้นอนเพื่อความสบายปูเพื่อสุขภาพของร่างกายก็ใช้ได้ก็ให้รู้จักประมาณก็แล้วกันว่าหนาเท่าไหร่ถ้าสีห้านิ้วนอนแล้วเด้งขึ้นมาอย่างนี้ก็แสดงว่ามันมันนอนเพื่อความสบายแล้วอย่างนี้ก็อย่าไปใช้มัน คือเป้าหมายคือการนอนนี่ให้นอนเพื่อพักผ่อนร่างกายร่างกายนี้เวลาม่วงอยากจะนอนนี่นอนบนพื้นชนิดไหนก็นอนได้หลับได้จะเป็นบนฟูกหรือบนบนพื้นแข็งก็หลับได้เหมือนกันปัญหาอยู่ตรงที่ตอนที่ได้พักแล้วตื่นขึ้นมาคือประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงแล้วก็จะตื่นขึ้นมาถ้าตอนนั้นถ้านอนบนฟูกนาหนามันสบายก็จะไม่อยากลุก ก็จะนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆมันนอนแล้วไม่สบายพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่นอนต่อก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิหรือมาเดินจงกรมมาภาวนาต่อจะดีกว่า้อที่สองการรับประทานอาหารมื้อเดียวไม่ทราบว่าหากรับประทานชากาแฟนมถือเป็นอาหารหนึ่งมื้อเลยหรือไม่คะคือหากรับประทานคนละเวลากับทานข้าว จะนับเป็นสองมื้อไหมคะคืออาหารนี่เขามีการแบ่งไว้ว่าอะไรเป็นอาหารอะไรไม่เป็นอาหารเช่นของที่เรากินอาหารคาวหวานขนมนมเนยต่างๆนี่เรียกว่าเป็นอาหารสิ่งที่ไม่เป็นอาหารก็คือเครื่องดื่มเช่นน้นําปานะน้ําผลไม้น้ําชากาแฟนี้ถ้า ต, ต้องไม่มีนมท่านนมนี่ยังถือว่าเป็นส่วนของอาหาร ถ้าเป็นถ้าเป็นพวกอาหารนี้ก็รับประทานได้ครั้งเดียวถ้าเราถือการรับประทานมือเดียวก็รับประทานหนเดียวพวกขนมนมเ น, ม น, มนยต่างๆนมอาหารเสริมอะไรต่างๆพวกนมเปรี้ยวนมหวานมวานมจืดนมอะไรนี่นมถั่วเหลืองนี่ถือว่าเป็นอาหารทั้งนั้นโอวัลตินไมโลอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นอาหารหมดถ้าจะกินน้องกินกับอาหารพร้อมกันทีเดียว ถ้าอย่างอื่นนี้กินได้เช่นตอนบ่ายก็จะมีให้อนุญาตให้ดื่มน้ปนาปานะเพื่อม า, อาให้ร่างกายได้มีอะไรเข้าไปบ้างมีน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงบ้างตอนนั้นก็จะดื่มน้ำชากาแฟน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำพึ่งอะไรพวกนี้ได้อยู่ตอนบ่ายอนุญาตให้ให้ดื่มเพื่อพวกนี้ได้อยู่ แต่า ก, การเดิ่มก็เพื่อให้เยียวยาร่างกายให้ให้กินแบบกินยาอย่าไปกินแบบปอบกันนะอย่าไปกินแบบความอยากพอไม่ได้กินข้าวผ ก, ก็เลยเอาอันนี้แทนข <c oughs> <c oughs> นมนมเนยเนยข้นเนยใสยอนุญาตน้ําตาเนยญาตก็เลยทำเนยกวนกินกันเ <c oughs> อันนี้เขาเรียกกินแบบปอบไม่ได้กินกินแบบยา ถ้ากินแบบยา ก, ก็กินพ อ, อให้ร่างกายมันที่เพียจากการขาดสารขาดขาดพลังงานเช่นน้ำตรงน้ำตาลอะไรก็กินเข้าไปหน่อ ย, อยเดื่มน้ำปละนะาเน่ยอย่างนี้ก็พอประมาณอย่าไปดื่มเพื่อให้มันอิ่มท้องกลางเไหม อ, อันนี้เป็นข้อข้อที่สองนะอข้อที่สามการไม่ฆ่าสัตว์การกวาดมดบนพื้นออกจากข้องไม่ทราบว่าจะทาให้ตายไหมคะ คือคาดว่าไม่น่าทำให้ตายถ้าเราไม่ไปเหยียบมันไปไปไปขยี้มันมันไม่ตายหรอกถ้าเรากวาดมันด้วยแล้วเราเอาไปสะบัดมันทิ้งไปนี่มันไม่ตายก็ที่สี่การไม่พูดปดไม่พูดคําหยาบคายแต่พูดด้วยอารมณ์และน้าเสียงประชดประชันโดยที่ผู้พูดอ่านรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามถือว่าผิดศีลไหมคะถ้าไม่พูดปด แล้วก็พูดด้วยอารมณ์นี้ก็ยังไม่ถือว่าผิดศีลแต่ก็เป็นพูดด้วยอกุศลเกิดใจที่มีความโกรธก็ควรจะไม่พูดในขณะที่มีความโกรธควรจะระงับอารมณ์ให้สงบก่อนแล้วค่อยพูดก็ที่หาการไม่เสริมสวยไม่ทราบว่าการทาครีมครีมกันแดดเพื่อป้องกันรังสียูวีผิดศีลไหมคะ ก็ปฏิบัติมันไม่ได้ออกไปอยู่กลางแดดจะไปทามันทำไม yeah. แล้วลิปมันล่ะคะ uh. เขาถามต่อว่าแล้วลิปมันล่ะคะลิปลิมันอะไรลิปลิปมันที่ทาปากให้ uh. ปากไม่แห้งอะคะ่ะอ่ามันไม่ใช่หน้าหนาวปากมันจะแตกนะถ้าเป็นถ้าเราเป็นโรคผิวหนังแห้งอะไรพวกนี้เป็นโรคจริงๆก็ใช้ได้แต่อย่าอ้างว่ามันเป็นยาแล้วทาเพื่อรักษาผิวให้ให้สาวให้ ให้สวยไปนานานี้ก็ไม่ได้ข้อที่หหากถือสีลแปดในวันทำงานปกติสำหรับสีนข้อห้ามรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันแต่ปกติบริษทัทให้พักเที่ยงเวลาเที่ยงถึ ง, ถงบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งไม่ทราบว่าหากรับประทานจบเพียงมื้อกลางวันในเวลาประมาณบ่ายโมงครึง่งยังถือว่ารักษาสินข้อนี้ได้หรือไม่คะ ได้เพราะการรักษาศีลก็เพื่อไม่ให้เรารับประทานอาหารมากเกินไปงั้นถ้ามันช้าไปสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่สาหรับเป็นพระนี่ก็ต้องเคารพกติกาของพระเมื่อเขามีกฎว่าต้องต้องไม่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วพระก็ต้องไม่หลังเที่ยงวันไปแล้วแต่พระไม่มีปัญหาเพราะพระไม่ได้ทำงานช้นตอนสิบเอ็ดโมงก็ได้ ดังนั้นการต่างการฉันชา้าการรับประทานชา้าเร็วสักชั่วโมงนี้ไม่ได้เป็นปั ญ, ปญหาเลยข้อที่เจ็ดหากมีเพื่อนร่วมงานเล่าถึงปัญหาในการทำงานของเขาให้เราฟังหรือเพื่อนร่วมงานอื่นฟังเขาอาจเล่าด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าอยากระบายเท่านั้นแต่เรารู้ว่าปัญหาเหล่านั้นเกิดจากผลของการกระทำของเราแล้วเรารู้สึกเฟลมามาก รู้สึกเสียใจกับการกระทําของตัวเราเองกราบพระอาจารย์ชี้แนะแนวทางแก้ไขความรู้สึกนี้ด้วยค่ะถ้าเราทําผิดอะไรก็ไปพูดขออภัยเข้าไปแล้วพยายามอย่าไปทําใหม่ถ้ามีความเสียหายหเกิดขึ้นก็ชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ที่เขาได้รับความเสียหายนั้นไปคําถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งความรักความชัง ความกลัวนี้เป็นอารมณ์ที่ชัดเจนสัมผัสได้จากความทุกข์ใจความกระวนกระวายใจแต่ความหลงนี้เราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเรากำลังหลงความหลงนี้มันเป็นของที่ละเอียดจะรู้ได้ก็ต้องศึกษาธรรมศึกษาธรรมพอเรามาศึกษาธรรมเราก็จะได้ยินสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนก็คือความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่มีตัวตน ของสิ่งต่างๆเราเราก็จะได้รู้ว่าเราหลงหรือเปล่าเช่นหลงเห็นหงเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างนี้ก็เรียกว่าหลงแล้วเช่นเห็นน่่งกายว่าเที่ยงทีดว่าจะอยู่ไปไม่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันตายอย่างนี้ก็เรียกว่าหลงแล้วหลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นของสับเปล่ไป กลายเป็นของวัดไปกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปอันนี้ต้องศึกษาถึงจะรู้ว่าหลงหรือไม่หลงคือดูให้ดูสามข้อนี้ว่าเราเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหรือเปล่าเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหรือเปล่าเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราหรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเรา ถ้าเรายังคิดว่ายังมีอะไรเป็นของเราอยู่ยังเที่ยงอยู่ยังไปให้ความสุขกับเราอยู่ก็แสดงว่าเราหลงแล้วข้อที่สองอย่างการปฏิบตัติบางครั้งผู้ปฏิบัติคิดว่ากำลังถูกเจริญสติไปแล้วก็นั่งทำสมาธิแล้วก็มีความสุขจากการทำสมาธิแต่ความสุขที่กำลังได้จากการทำสมาธินั้นเมื่อไปเล่าอาการให้ครูอาจารย์ฟัง ท่านว่าเป็นมิจฉาสมาธิคือการขาดสติปล่อยใจล่องลอยไปเรื่อยๆอันนี้ท่านก็ว่าเป็นความหลงแล้วอะไรจะเป็นตัวบอกให้ผู้ปฏิบัติได้รู้คะว่ากําลังหลงกําลังปฏิบัติถูกต้องเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิคะสัมมาสติก็ต้องมีความรู้อยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียว เช่นรู้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวรู้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่ไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆถ้านั่งแล้วไปคิดเรื่องราวต่างๆนี่เรียกว่าไม่มีสติให้ดูลมก็ดูได้ปั๊บเดียวแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรียกว่าไม่มีสติแล้วถ้ามีสติจะต้องอยู่ลมอย่างต่อเนื่องหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ หายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวลมหายไปก็รู้ว่าลมหายไปไม่ตื่นตะหนกไม่ปรุงแต่งไม่หวาดกลัวให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบเวลาดิ่งนี้จิตจะเหมือนกับตกลุมตกบอ่อแล้วก็จะนิ่งสงบเหลือแต่ความว่างเหลือแต่อุเปกขาเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ อันนี้แหละเรียกว่าสัมมาสมาธิจะไม่มีอะไรให้เห็นไม่มีนิมิตไม่มีอะไรทั้งนั้นคำถามจากคุณฮอลลี่การรักษาศีลแปดหลังเที่ยงไปแล้วเคี้ยวแต่ไม่กลืนเช่นเคี้ยวหมากฝรั่งได้ไหมคะถือว่าผิดศีลไหมคะอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นอาหารนะก็เคี้ยวได้แต่เคี้ยวไปทำไมเรามาถือสีนแปดเพื่อที่จะละ การหาความสุขจากการของขบเคี้ยวขบชันอยู่แล้วถ้าจะถือศีลแปก็อย่าไปเคี้ยวเคี้ยวอะไรเลยคำถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสงบที่แท้จริงต้องควบคุมความคิดหยุดความคิดด้วยการเจริญสติถ้าหากมีสิ่งอะไรเข้ามากระทบทำให้เกิดอารมณ์ก็พิจารณาให้เป็นไตรลักษ แต่ถ้าคิดทางปัญญาแล้วยังฟุง้งวางไม่ลงก็ต้องกลับมาพยายามหยุดความคิดทำสลับกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนสติมีกำลังมากพอก็จะสามารถนั่งสมาธิแล้วใจก็จะสงบรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้ใช่ไหมคะใช่ก็ที่สองมีคนกล่าวไว้ว่าถ้าอยากได้อัปปนาสมาธิจะไม่ได้ ถ้าอยากได้โสดาบันก็จะไม่ได้เพราะยังมีความอยากแต่ควรพยายามด้วยแต่ควรปฏิบัติด้วยความพยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันและรู้ทันความอยากฝืนความอยากละความอยากแล้วจะได้อัปปนาสมาธิคำพูดนี้ถูกต้องไหมคะจะว่าถูกก็ถูกจะว่าไม่ถูกก็ไม่ถูกเพราะว่าความอยากมันก็ต้องมีเพียงแต่ว่ามันต้องมีที่ของมัน ถ้าเราไม่อยากนั่งสมาธิเราก็จะไม่ได้นั่งเเราต้องอยากนั่งสมาธิก่อนแต่เวลาที่เรานั่งนี้เราอย่าไปอยากให้มันสงบเวลานั่งแล้วต้องมีให้อยู่ให้อยากให้มีสติอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวอย่าให้ไปอยากอย่างอื่นเพราะเหตุที่จะทำให้ใจสงบก็คือการมีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับเรื่องเดียวตอนนั้นห้ามอยากให้สงบ แต่ความอยากสงบนี้มันต้องมีเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเราไม่อยากสงบเราก็จะไม่อยากนั่งสมาธิเราก็จะไปเที่ยวไปเล่นกันเะ็ั้นจะว่าความอยากได้สมาธินี้ทำให้ไม่ได้ก็ไม่ถูกถ้าไม่อยากสิมันถึงจะไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่อยากได้สมาธิมันก็ไมไ่มาปฏิบัติสมาธิกันมันก็ไปดูหนังฟังเพลงกันเช่นเดียวกัน ถ้าไม่อยากเป็นโสดาบันมันก็จะไม่มาปฏิบัติเพื่อให้เป็นโสดาบันเพียงแต่ว่ามันมีที่ของมันคือเราต้องมีความอยากเมื่อเรามีความอยากแล้วมันก็จะนำพาไปสู่การปฏิบัติตอนที่ปฏิบัติตอนนั้นอยากไปอยากต้องปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติแล้วเดี๋ยวผลก็จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติผลไม่ได้เกิดจากความอยากเวลาปฏิบัติก็นั่งอยากโดยที่ไม่ไม่ปฏิบัติ เหตุที่จะทําให้เกิดผลนี่มันก็จะไม่ได้ผลคําถามจากคุณพีรดรหากในบางครั้งที่จิตเรามันคิดไปในทางไม่ดี ไ, ดไปในทางอากุศลเราจะมีอุบายแก้ไขยอย่างไรเพื่อให้จิตกลับมาในทางที่ถูกต้องและเพื่อให้ความคิดอกุศลทั้งหลายไม่เกิดขึ้นอีกครับก็ใช้สติถ้ามีสติก็หยุดมันได้พอรู้ว่าคิดไปในทางที่ไม่ดี ก็ใช้สติหยุดมันถ้าสติมีกําลังไม่พอก็ใช้พุทโธช่วยสร้างสติขึ้นมาเช่นกําลังจะไปดื่มสุราหรือว่าไม่ดีเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธไปจนกว่าจะลืมเรื่องการดื่มสุราแล้วก็หยุดพุทโธได้แต่นี่ก็เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าอาจจะไม่ได้หยุดความอยากดื่มสุราอย่างท้าวรการจะ หดดืม่มโซดาคิดถึงความอยากดืม่มโุดาได้ต้องใช้ปัญญาสอนว่าเป็นการกระทําที่เป็นโทษต่อชีวิตจิตใ จ, จและร่างกายดืม่มโุดาก็จะทําให้อายุสั้นดืม่มโุดาก็จะทําให้ขาดสติจะไม่สามารถที่จะไปรักษาศีลไปภาวนาได้ไปปฏิบัติธรรมไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความคิดนี้ เเมื่อห็โอคโถามจากด่อกเตอร์ฮาร์ดหากเราถือศีลแปดบำเพ็ญสมถาภาวนาและ ว, วิปัสสนาภาวนาตามคำสอนของพระอาจารย์ตัวเราจะรู้สึกได้เองไหมครับว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันหรือยังความรู้สึกนั้นเป็นอย่างไรครับก็เวลาเราปล่อยวางสิ่งที่เราแบกอยู่ได้เราก็จะรู้สึกว่ามันเบา เช่นเราแบกร่างกายอยู่ตอนนี้เราทุกข์กับร่างกายอยู่พอเราปล่อยวางร่างกายได้เราไม่ทุกข์กับร่างกายเราก็รู้สึกว่าเราสบายขึ้นเราก็สุขขึ้นถ้าเราไปเปิดตํารา ด, ดูท่านก็บอกว่าลักษณะนี้เป็นลักษณะของพระโสดาบันผู้ที่ละสกายทิฐิได้คือละการความเห็นผิดที่ไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราได้ ปล่อยวางร่างกายให้เป็นไปเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนด้วยฉันใดร่างกายของเราเราก็ไม่ควรที่จะไปทุกข์ไปเดือดร้อนด้วยฉันนั้นคําถามจากผู้ฝากถามเวลาบริกรรมพุทโธแล้วเกิดปิติเป็นระยะพอปิติอาการขนพองทั่วการดับลงคําบริกรรมก็จะนึกไม่ออกพอตั้งใจนึกก็จะออกเป็นอุดโทไม่ใช่พุทโธ ก็เลยปล่อยคำบริกรรมมารู้อยู่เฉยๆแค่นั้นภาพนิมิตก็ปรากฏต่างๆนานาเห็นโน่นเห็นนี่แต่ไม่ยอมเห็นตัดไตใส้พุงของตัวเองสะทีพอเพ่งดูมันเล่นพอเพ่งดูมันเล่นกับมัน <c oughs> ก็เผลอไปเลยขอโอกาสเรียนถามอุบายเพื่อแก้และข้ามนิมิตครับก็ต้องอยู่กับคำบริกรรมต่อไป มันจะพูดโทรและอุดโทรก็ไม่เป็นไรหรอกขอให้มันมีคําบริกรรมอย่าให้มันไปคิดไปปรุงแต่งแล้วเดี๋ยวจิตก็จะสงบจิตยังไม่สงบเต็มที่ยังบริกรรมได้ให้บริกรรมต่อไปคําถามจากคุณฟลุก๊กถ้าหัวหน้างานมีเจตนาสอนลูกน้องเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการทํางานการพูดเป็นการพูดตรงๆแต่นําข้อพลาด ของแต่ละคนมาพูดในที่ประชุมซึ่งไม่แน่ใจว่าคนฟังแต่ละคนจะชอบหรือไม่ชอบเพราะคนฟังอาจจะดูว่าตัวเองเสียหน้าได้อย่างนี้หัวหน้างานผิดกุศลระบทสิ์ในเรื่องวาจาไหมครับไม่หรอกถ้าพูดความจริงพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดเพื่อให้เกิดผลดีขึ้นมาเช่นให้ให้องค์กรนี้ ทำงานไปบรรลุรู้ล่วงได้ผลดีได้ประโยชน์ได้ความเจริญฮะอันนี้เป็นเรื่องของการาพูดด้วยเหตุด้วยผลเหมือนกับเรียนหนังสือครูบาอาจารย์ก็จะบอกอะไรถูกอะไรผิดอย่างนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะไปทำทำบาปแต่อย่างใดไม่ใช่เป็นอกุศลวาจาแต่อย่างใด พูดด้วยเหตุด้วยผลพูดด้วยความจริงพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างนี้เป็นการพูดที่เรียกว่าสัมมาวาจาต่อไปเป็นคำถามตกค้างจากเฟ e บุ๊กไลฟ์เมื่อวานนะคะคำถามจากคุณมดงามมีเพื่อนที่เป็นแม่ชีบวชมาเก้าพันษาฝากถามว่าภาวนาไปบางครั้งปฏิบัติไปเกิดมีอารมณ์ขำๆมากมาก หาเหตุที่ทำให้ขาก็ไม่มีจะแก้ไขอย่างไรคะก็ควรจะระ ง, งับมันอารมณ์ขันก็ดีอารมณ์เศร้าก็ดีก็ยังเป็นอารมณ์อยู่การภาวนานี้เพื่อกำจัดอารมณ์ต่างๆก็ควรจะกลับมาที่คำบริกรรมกลับมาอยู่ที่ลมหายใจต่อไปอย่าไปสนใจกับอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นหรือใช้ปัญญาก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับ ้้ามมัันไไ่่สไไดสงคำถามจากคุณชีวิตยังมีอยู่หากผมหนีลูกเมียไปบวชตอนนี้พวกเขายังเล็กอยู่และฐานะความเป็นอยู่ยังลำบากอย่างนี้จะบาปไหมครับจะว่าบาปก็ไม่บาปเพราะเราไม่ได้ไปค่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ไปประพฤติผิดประเวณีไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ทาหน้าที่ของเรา เราผิดสัญญาผิดสัจจะที่ว่าจะอยู่กันไปดูแลกันไปจนวันตายถ้าจะทิ้งกันจะจากกันก็ต้องเปลี่ยนสัญญาใหม่มาทำสัญญากันใหม่มาตกลงกันใหม่ว่าจะขอไปถ้าผู้คู่สัญญาเ้าอนุญาตให้ไปก็ไปได้คำถามจากคุณมัคคาบุคคลที่เป็นโรคซึมเศร้าการแนะนาให้พิจารณาเรื่องความตาย จะเป็นการเสี่ยงหรือไม่ครับยังไม่ควรล่ะผู้มีความเืมเศร้าควรจะให้เขาเจริญสติให้เขาพุทโธพุทโธไปเริอมสวดมนต์ไปเพื่อระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆที่ทําให้เขาเกิดความเืมเศร้าขึ้นมาให้ใจเขาสงบให้ใจเขาสบายก่อนแล้วค่อยสอนเขาในเรื่องที่เขาติดอยู่ที่เขาเป็นทุกข์อยู่ให้เขาปล่อยวางให้เขาละความอยาก ที่จะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามความอยากของเขาแล้วต่อไปเขาก็จะหายจากความซึมเศร้าแต่ขณะที่ซึมเศร้านี้ต้องใช้วิธีสงบสติอารมณ์ก่อนสงบความซึมเศร้าด้วยการเจริญสติก่อนให้อยู่กับพุทธโธไปอย่าให้เขาปล่อยใจคิดปรุงแต่งไปเรื่อยให้หยุดความคิดปรุงแต่งพอจิตหยุดความคิดปรุงแต่งจิตจะสงบแล้วความซึมเศร้าก็จะหายไป พอหายไปแล้วพอออกจากความสงบมาก็สอนให้เขาคิดไปในทางปัญญาให้เขาปล่อยวางให้ละความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่ทำให้เขาสื้นเศร้าคำถามจากคุณธนิดลูกปฏิปิบัติระยะหลังจิตจะมีความรู้สึกเฉยๆแต่ลูกก็ภาวนาเดินจงกรมตลอดจิตลูกถอยลงหรือเปล่าครับ ก็ไม่ทราบคำว่าเฉยๆนี่เฉยแบบไหนเฉยแบบเฉยเมยเฉยแบบขี้เกียจนะหรือเฉยในทางอารมณ์คือไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถ้าไม่ชักไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอย่างนี้ก็ดีเรียกว่าเป็นอุเบกขาถ้าเฉยเมยเฉยแบบขี้เกียจไอ้นั่นก็ไม่อยากจะทำไม่นี่ก็ไม่อยากจะทำอันนี้ก็ไม่ดีคำถามจากคุณพนมพรอย่างที่นักปฏิบัติพูดว่า เวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วเกิดแสงสีต่างๆขึ้นเป็นความจริงหรือจิตปรุงแต่งขึ้นมาครับแล้วถ้าเกิดจริงเราควรทำหรือพิจารณาอย่างไรต่อครับไม่ไม่ควรให้ความสนใจควรกลับมาอยู่ที่การภาวนาต่อไปถ้าดูลมก็ให้ดูลมไปถ้าพุโทโธก็ให้พุโทโธไปอย่าไปสนใจกับสิ่งที่มาปรากฏให้รับรู้เดี๋ยวมันก็ผ่านไป คำถามจากคุณสุกุงวาคิววันนี้วันที่เก้าเดือนเก้าปีห้าเก้าครบรอบวันตายของแม่ทําบุญตับบาตรไปให้ท่านไม่แน่ใจว่าท่านจะได้รับส่วนบุญหรือเปล่าคะเพราะท่านตายไปยี่สิบหกปีแล้วแล้วท่านจะรับรู้หรือไม่คะก็แล้วแต่ถ้าท่านรอรับส่วนท่านก็รับได้ถ้าท่านไม่รอก็ไม่มีใครรับแต่ส่วนที่เราทําไปก็ เราก็ไม่ได้สูญเสียไปหมดเราเพียงแต่แบ่งส่วนที่เราทาบุญนี้ไปส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่น้อยมากงั้นถ้าแม่ไม่ได้รับเราก็ให้ผู้อื่นไปก็ได้เช่นอุทิศบุญนี้ให้กับแม่หรือสัปสัตต์ทั้งหลายที่กำลังรอรับส่วนบุญอยู่คำถามจากคุณสุพรรณีมีเพื่อนโพสรูปภาพทางเฟซบุ๊กหรือลน์เป็นภาพ ภาพผสมกับสีกาหรือกับสุราเป็นการประชดหรือล้อเรียนเพื่อความขบขันซึ่งลูกเห็นแล้วไม่ชอบใจได้แต่บน่บนๆว่าว่าอย่าโพสต์เลยไม่ดีคนที่โพสต์ภาพแบบนี้เขาจะบาปไหมคะตกนรกแบบไหนคะจะได้เอาไปบอกเพืนๆเค้เาก็ไม่ได้ทําบาปอะไรเค้าก็เอาถ้าเป็นภาพของจริงเค้าจะเอามาเผยแผ่ให้กับใครมันก็เป็นสิทธิของเค้า เพียงแต่ว่าเขาทำแล้วเขาได้ประโยชน์หรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วการกระทํานี้ทำให้เกิดโทษมันกอ็อยู่ที่ผลที่เราจะต้องดูต่อไปถ้าทำแล้วทำให้พระองค์นั้นอับอายขายหน้าแล้วละการกระทําที่ไม่ดีนั้นไปก็มันก็เป็นประโยชน์คำถามจากคุณ น, นพวงศ์อย่างผมจะทำให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายได้ไหมครับ ได้ทุกคนน่ถ้าเราทำหน้าที่ที่ได้เทศไว้ในวันนี้ให้ครบทุกทุกประการให้เราศึกษาทาให้ปฏิบัติทำให้บรรลุธรรมชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายของเราคำถามจากคุณทัญญาต่างชาติเขาไม่ค่อยเชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่เขาจึงไม่ทำบุญเขาว่าเรางมงายประเทศจึงไม่เจริญจะบอกเขาอย่างไรดีคะ ก็บอกว่าประเทศเรามีเทวดาเยอะมีเปรตน้อยคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทำไมยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งฝันคะปกติไม่ค่อยฝันคะ่ะมันก็ไม่แน่นอนละความฝันนี่มันอาจจะเกิดจากเรื่องราวต่างๆก็ได้มันมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าพูดตามหลักถ้าปฏิบัติได้ผลจริงๆจะฝันน้อยเพราะจิตจะสงบมากขึ้นไปเรื่อยๆความฝันก็จะน้อยลงไปคำถามจากคุณสุรพลณนะเวลาที่กิเลสสิ้นไปจากใจความรู้สึกจะเป็นอย่างไรครับก็เบาอกเบาใจสบายใจเช่นเวลาอยากจะกินเนล้าแล้วไม่กินได้เลิกกินได้นี่มันสบายไหมคนที่ติดยาเสพติด เวลาเลิกเสพได้นี้มันรู้สึกยังไงมันสบายไห อ, อ, อ ด, แ ล, ดแล้วนะ อ, อ่ดีอายอยากอยากถามนะคะว่าเราได้ศึกษาทำแล้วแล้วเรารู้แล้วว่าถ้าเราจะบระรลุธรรมได้เนี่ยจะต้องปฏิบัต<ม>ิใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปอยู่ในเพศนักบวชอะคะ่ะ แต่ว่าถ้าเกิดเรายังเป็นหนี้ทางทางทั้งโลกอยู่ค่ะเป็นหนี้เงินอยู่เนี้ยเราจะต้องทําตรงนี้ให้ก่อนไหมคะก็ควรจะใช้หนี้เขาให้เรียบร้อยไปก่อนเพราะถ้าหนีไปมันก็จะมีปัญหาตามมาได้ท่านใจเราก็อาจจะไม่สบายใจหรือเราอาจจะถูกเจ้าหนี้มาทวงหนี้มาตามหนี้ก็ได้ก็ควรที่จะหาวิธีจําระหนี้ให้มันหมดไปก่อน นมัสการพระอาจารย์ค่ะฝากถามแทนลูกชายค่ะเพราะว่าลูกชายนี่คือเขาเคยบวชเนนสามนเนรภาคฤ ด, ดูร้อนสามครั้งโดยที่โยมแม่เนี่ยเป็นคนขอร้องเขาบวชปัจจุบันอายุสิบขวบนะคะแล้วก็เวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขามักจะเห็นสิ่งที่ที่พวกเรามองไม่เห็นแล้วเขาก็จะเกิดอาการกลัวอะไางเง้ยเวลาเห็ น, น, น, นอะไรก็ให้เขาบริกรรมพุทโธพุทโธไป อย่าสนใจไปตามสิ่งที่เห็นให้ดึงใจกลับมาให้อยู่กับพุโทโธแล้วเดี๋ยวสิ่งที่เห็นก็จะหายไปบอกเขาาไม่มีอันตรายอะไรถ้าเราไม่ไปทําอะไรเราต้องกวดนาให้เขาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะไม่ใช่อะไรนะั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจะไปกวดอะไรง mm hmm. ั้นมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทำใจให้สบหงบระงับดึงใจด้วยสติให้กลับเข้ามาอย่าปล่อยให้ออกไปรับรู้ พอมีอยู่พุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวสิ่งที่ปรากฏดับรู้ก็จะหายไปค่ะแล้วก็พ่อมแม่บอกว่าให้เขาสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนก็เหมือนกันพุโทโธก็สวดมนต์ไหว้พระก็อันเดียวกันเขาบอกว่าพอเขายิ่งสวดเขายิ่งเห็นเขาเลยไม่กล้าสวดมันไม่จริงหรอกมันไม่ได้สวดจริงๆถ้าสวดแล้วสงบมันก็จะไม่เห็นนะอืมถ้าสวดแล้วไปคิดมันก็จะเห็นสวดแล้วก็ไปคิดสิ่งที่เราเห็นไม่ไม่อยากให้เห็น สวดเพื่อไม่อยากให้มันเห็นถ้าสวดแบบนี้มันก็จะเห็นอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราเห็นให้สวดให้อยู่กับบทสวดมนต์อยู่กับพุทโธไปแล้วมันก็จะไม่เห็นอย่าไปอยากให้ไม่เห็นยิ่งอยากไม่เห็นเดี๋ยวมันยิ่งเห็นใหญ่เพราะความอยากนี้จะไปดึงให้มันกลับมา้ปล่อยวางเฉยๆมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปอย่าไปสนใจกับมันอย่าไปห้ามยิ่งห้ามยิ่งยุ่ ยิงห้าแม่มันมามันยิ่งมาใหญ่สาธุผู้ฟังค่ะวันนี้ทางบ้านก็คงจะไม่มีไม่เป็นไรวันหนังก็ได้ว่ า, าโอกาสคุณอาจารย์ครับผมผมบริกรรมด้วยภาวนาพุทโธไปได้พักใหญ่ๆเกิดเวทนาปวดขาขึ้นมาอย่างเต็มที่จิตน้อมเข้าไปที่ขาที่ปวด แยกกระดูกเนื้อหนังเอ็นออกพิจารณากลับไปกลับมาว่ามันไม่ใช่ของตนพิจารณายัางไงมันก็ไม่หายปวดจนเกิดาการสั่นขึ้นมาพอสั่นเข้าบางมากมีอันนึงบอกว่าโง่นั่งทับทุกข์ก็เลยพิจารณาไอ้คำว่าโง่นั่งทับทุกข์เข้าไปมีอันนึงบอกขึ้นมาอีกว่านั่งทับเส้นเลือดให้กระดิกขานิดนึงผมก็กระดิกขานิดนึงสักพักหายปวด อันนี้เป็นกิเลสหลอกผมหรือเปล่าครับหลอกเพราะว่าทางที่ถูกต้องไม่ไปยุ่งกับร่างกายต้องปล่อยให้ร่างกายที่เรานั่งทับทุกข์ก็เพราะเราไปอยากให้มันหายมันเลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นโดยหลักก็คือเราพิจารณาเพื่อหยุดความอยากไม่ได้หยุดความทุกข์อย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปแต่หยุดพิจารณาความอยากที่จะให้ความความเจ็บนี้หายไปอย่าไปอยากเพราะห้ามมันไม่ได้ เนื้อหนังเอ็นกระดูกมันไม่ใช่ของเราเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันหายเจ็บไม่ได้ให้เห็นความจริงอันนี้เพื่อเราจะได้หยุดหยุดอยากให้มันหายเจ็บมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะหายก็ปล่อยให้มันหายไปเองแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกขค์ขครับผมทิ่นถามห้วงพ่อในส่วนการนั่งปฏิบัตินั่งภาวนา ถ้าเราผ่านทุกขเวทนาไปได้ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยในการนั่งครั้งถัดไปเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องผ่านมันอีกไหมครับมันก็ต้องทำให้มันชำนานจนเราไม่มีความกลัวความเจ็บเพราะต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะได้รู้จักวิธีปฏิบัติกับมันถ้าเราทำหนเดียวแล้วเราไม่ทำเดี๋ยวพอถึงเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาเราอาจจะทาไม่ได้ก็ได้ เ ร, <ช>เราต้องฝึกทำํำจนกระทั่งเรามีความมั่นใจว่าเราชํานาญเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนคร<ช>ับแล้วเราค่อยหยุดก็ได้ถ้าครั้งเดียวนี้รู้สึกว่ามันยังน้อยไปอ<ช>ถ้าหยุดก็แสดงว่ายังกลัวมันอยู่ยังไม่อยากจะเจอมันคครบับเราต้องแบบว่าถ้าอยากจะเจอมันจนกระทั่งเบื่ออจนกระทั่งรู้สึกว่าเฉยๆเจอมันทีไรก็ไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้นนะแล้วค่อยหยุด ครับหงพ่อแล้วอีกเรื่องนึ่ครับในในส่วนของการบวชนะครับบวชแล้วจำพรรษาที่วัดกับไปอยู่ที่สำนักสงฆ์นะครับตรงเนี้ยต่างกันยังไงครับถ้าเกิดเรามั่นใจว่าพระที่เราไปบวช ด, ด้วยเนี่ยเป็นพระแท้ทั้งสองที่คือการบวชนี่มีคําสั่งให้อยู่กับพระอุปชาหรืออาจารย์อย่างน้อย5ปีก่อนเรายังเป็นเหมือนเด็กเพิ่งเกิดใหม่ ต้องอยู่กับพ่อแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงดูสั่งสอนต่างๆก่อนให้รู้จักวิธีอยู่แบบพระปฏิบัติแบบพระก่อนกินอยู่แบบพระก่อนก็ต้องอยู่ศึกษากับพระที่บวชให้เราก็ได้หรือถ้าท่านมอบหมายอนุญาตให้เราไปอยู่กับพระรูปอื่นก็ไปไดต้ต้องอยู่กับรูปใดรูปหนึ่งไม่อยู่ปราศจากครูบาอาจารย์5ปีด้วยกันครับบวแล้วเหรอ มีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาวันนี้สำหรับที่ท่านติดตามสดก็ขอเลื่อนไปวันถ้าวันจันทร์จะเหมาะกว่าวันเสาร์อาทิตย์อาจจะมีคำถามมากก็เลยถามใหม่หมก็ได้น ะ, ะอย่างนั้นก็ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ